วันนี้ก็องจะเป็นมีละกรินคำว่ามีละกระสินเขียวถ้าพูดภาษาไทยว่ามี้ปฏิบัติในกะสินเขียวสาหรับการปฏิบัติกรศสินบรรดาเจนพุทธบริษัทก็ต้องอยากเข้าใจว่ากระสินเป็นกรรมฐานี่นนเศษเลอเหนือจากกรรมฐานของอื่นมันท่เราเลยกัน คามจริงกระสิงก็เป็นคามฐานธรรบัดาแต่เพราว่ามีชันง่ายทันชานได้ง่ายก็เป็นธรรมฐานยาบมีขนาดสูงดกระสิงข้อสิบกอจะมีกาลังที่ชายสี่ทั้งหมดขนาดสูสส ง, นนด ง, งสุดที่งตปายก็อนุสติ อ, อนุสติยึงกาลังชายสีี่ก่อเรียกอ่าลาปานุสติ บางกองเล่าจากนั้นก็เป็นปุจจารสมาธิปบางปรมตูเมชาได้เกษตรินรี่เป็นชายสี่ทั้งหมดเป็นกรรมฐานที่มีความเข้มแข็งในการส่งชาเนี่ยตัวาการปฏิบัติเกษตรนินและกรรมฐานกองใดก็เหนว่าตามขอบรรดาแางพุทธบริษัทเ ย, ยาลืมต้นคําว่าไม่ลืมต้นในกหม่อมความมัคําว่าสมาธิ เป็นแปลว่าความตั้งใจมั่นแา่การอย่างนี้จะมีขึ้มได้ต่อเมื่อเวลานั้นจิตของท่านไม่มีวอนกกนใจโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาเจริาธรรมแต่คำว่ามีวันี้ก็แปลว่ากิเลสยากขึ้นตามบรรยาให้ถอยหลัง <c oughs> มันเป็นธรรมดายของอารมณของเรา จะหักท่ามไม่จิตใจเขาปฏิวัไม่เฉยวมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นี่กันในขณะที่มันด่าแต่งบริษัทภาวนาก็ดีที่กิดนาย็ดีหลังจะกทรงสมาธิให้ทรงตัวเวลานั้นแหละมีวันจะเข้ามาแทรกไมยเพราะอย่างนี้มีวรนตัวมีสีผู้ตัจจุจัต จิตแพลร่อเยิมผุ้งสร้างสร้างความลำคันมีนตัวีมันแทรกง่ายไม่จะแทรกกับทุกๆคนแต่กับทุกๆครั้งที่ทำสมาธิแต่เมื่อไปเอานิวรณเข้ามาแทรกในตำนานนั้นเวลาที่มันแทรกเราก็สู้ไมได้เหมือนกันแต่ว่าสักวันเดียวจะรู้ตัวว่าจิตของเราลาจะจริญภาวนาไป หรือว่ารักจากการทิ่เป็นาตามสายเดิมไปไปคิดเรื่องอื่นก็ทราบพอใานึ้จิตสงสัยแต่แล้วเ <c oughs> มื่อรู้ตัวก็ฝึับองใหม่เข้าไปรับรู้เองใหใจเข้าออกใหม่รู้ลงไว้ใจเข้ารู้ลงไว้ใจออกรู้โอมมาทางที่เป็นเหมือนไรจะสร้างจิตว่าขณะใดจิตได้จากนิวรณ์หรือไม่ว่า ก็วิจินนาดูว่าขณะใดที่เรารู้ลมหายใจเข้าเราไม่ใจออกเวลาใดที่รู้คำปรรถาท่าสอนรายการนี้ถ้ายังมีอยู่เวลานั้นมีวอนไม่กวนใจแล้ะก็เวลานั้นแหลอจิตไปสมาธิคีอรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ถือว่ามีสมาธินาาปาลสติ เรู้ภาวน า, าก็ถือว่ามีสมาธิในการถ่ายกองนั่นที่มีครามภาวนาอยู่และเรามีญาติโยมหลายคนเคยมาผอกว่าจิตไม่ว่าจิตไม่สงบใจความจริงท่าเข้าใจผิดครัว่าจิตว่างที่ไม่คิดอะไรเลยนีไม่มี <c oughs> แม้จิตจิตพระพุทธเจ้าก็าอย่างคิด ทั้งต่างต่างก็ยังคิดจิตที่ไม่คิดก็คือจิตของตุกตาตุกตาไม่มีจิตจะคิดภาพจิตจะมีสภาพอยู่ต้องคิดทั่นเลยถามว่าเมื่อจิตว่านจะกิเลสมีสภาพเป็นอย่างไรก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆว่าขนาดใดที่จิตที่บ้านรู้ลงให้ใจเข้าลมให้ใจออก โดยไม่คิดเรื่องอื่นเขามารสานเวลานั้ น, นจิตว่างใจเกิดว่างจเกิดอยากคืนวันห้าประการหรือว่าเวลาใดจิตใจร่ำดาจนทุกข์ริสัท์รู้คำภาวนาห้ใจเข้ากร็รู้ด้วยภาวนาก็รู้ด้วยา ใ, ใจออกก็รู้ด้วยภาวนาก็รู้ด้วยอย่างี้รืองจิตว่างจเกิด ถ้าถือว่าเวลางสงบสงัดก็จะถือว่าเวลานันจิตสงัจากเยไม่ใช่สงัดโดยไม่คิดใจเลยเพราะญาติโยมที่เขาใจทราดปวดทราบกันนี้เลยนะประทัง ก, กันมากใครจะตอบเวลาบุคคนนี้ตอบไ ว, วแล้วตอบไม่จบต้อขอบอกว่าในที่นี้เดี๋ยวบอกขึ้นมาใดที่จิตยุ่งไม่ใจเข้าลงไม่เบีอยง เไม่คิดถึงเรื่องอืเามาแทกเวลานั้นจิตว่าใจกิเลสด้วยและเวลานั้นจิตสับจากกิเลสด้วยแตเวลาใดจิตรู้ลูกคำเบนาเวลานั้นจิตก็ว่าใจกิเลสสลัจากกิเลสอาตอนนี้นะสำหรับทีวห้ารการในบรรดาญาโยพุทธบริษัทต้องพยานจามันมีห้าอย่างคือหนึ่งกามาฉันพระ มีความปล่อยใจในลูกสวยเสียงเลาะกล <seus> th ิ่นอรอยเป็นหอมรอร่อยสัมผักระว่างเี่คำว่าลูกจะเป็นลูกคนลูกจักเป็นว้ตถุมาตามลูกเหมือนขันข้อดีสองความโลกความด่ายทิศจางร้ายจางฝันกอดีสามคนลาที่ทำความดีความร่วงเข้ามาแทรก้อดีสี่อารมณ์พูงสร้างรำคาญ ข้อที่ห้าสงสยัยในผลของการปฏิบัติเรืองความว่าอาการให้อย่างในงแวดการของนิวรนแล้วก็นิวรณนี้ไม่จำเป็นเี่ยต้องเขามแทรกใจทั้งห้าตัวทั้งหมดจะเป็นนิวรน์ตัวใดตัวอย่างก็ตามเ ร, ร้มแทรจิตเวลานั้นคือว่าจิตของพระพไม่มีสมาธิ ไอ้ถามว่านีกี่เลตไหมก็อขอตอบว่านีววณคือกี่เลตยาที่ทำปัญญาให้เอยหลยังฉะนั้นนี่เลยไม่ถนาดที่นีวณกรใจวันนั้นไรสมาธิด้วยไรยปัญญาด้วยแต่ว่าถ้าระยะห้ามีวันจริงก็ห้ามไม่ได้ต้องคอยแล้กระวังไว้ให้เคยจริงถ้าจิตทรงชาน ดนั้นเราจจาจะแนะนาในการปฏิบัติเข้าวิชายสมาบัติเทววารใดจิตเข้าวิชายสมาบัติไปเวลานั้นทุกวันเข้าไปกวนใจทั้จิตไม่ได้แต่ว่าก็เรื่องธรรมดานั้นเมื่อเราออกจากชานนี่เาเเข้ากวนใจไปขอธรรมดา้ก็จะสู้ธรดานี้สู้กันบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไปขอธรรมดาน ต, ต่อมาก็จพูดถึงยอดสิง์ กระสินก็เหมือนกันทุกข้อที่เคยบอกว่าถ้าเราสินกองใดกองหนึ่งใครได้แล้วึุนชันสีถ้ามีการเข้าตัวอีกเก้องจะได้ภายในกองสามวันมีการเข้าตัวเพรามีการปฏิบัติเหมือนกันมีส่วนมีมิดเหมือนกันยังกระสินสีเขียวขอขึ้นมาดับเบิลตัวโดยสินเสียแดงวันก่อน อนุภาคขาก็สีกรองนี้ก็สามารถทําสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงมิได้นิให้เป็นสีแดงอย่างเช่นสีเหลืองมันทีสองปัจจักาศกระสินท่านอนุภาคขากสีกรองนี่ก็ไม่สีใสเสียงตาให้เป็นสีเหลืองและสีทองคําม้แต่สีสีเขียวแม้แต่สีสีเขียนี่ทำสีต่างๆให้เป็นสีเขียวก็ได้ ว่าที่สถานที่ใดที่สว่างเกินไปเราไม่ต้องการแสงสว่างธรรมอากาศใดที่มันเข้มขึ้นก็ได้แม้ในภาพมันก็สีสีเขียวสมบัติตัวสีสีเขียวก็เขบมงรดแต่วุฒรื่องจักรถือมีนิดสีเขียวเป็นเป็นเครื่องหมายจะมีอะไรเขียวก็ได้ผ้าเขียวเสื้อเขียวโตเขียวขันเขียวกระถิ่เขียวใช้ได้หมด ให้เป็นสีเขียวเวาตามแบบของท้านต้องสีผ้าเป็นสดิงก้า็ทาสีเขียวไว้วงกลมพาสูงการประมาณครึ่งแล่พอดีกับลุกตาเลาต้งเลยใกล้แต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆที่เคยปฏิบัติกันมาก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นมันอยู่ที่ใจก็เองอะไรก็ได้ถ้าเป็นสีเขียว ถ้าไม่มีอะไรเลยก็รดด่าคิดวิสีเขียวไม่แปก็่าจะฝาช่างนายก็ได้แ้วอะไรสักอย่างนึงก็ได้ตั้งใจจำนดับแรกลิมตาดูภาพสีเขียวแต่ก็จะไม่ลืมว่ามีบอลเข้ามาควมใจนะลืมตาจำภาพได้ก็หลับตานด้ถึงภาพสีเขียวพาวันดาวีลัสซินา มีละกสีนล้ก็มีเคสีเขียวเป็ร้อหมามีสีเขียวเเคื่อหมายภาาจะไม่ใชภาษาบาลีภาษาบาลีที่สอนกันบอกว่ามสีเขวสีเขีวสีเียวกในใจก็มีเพียงสีเขีวแลจับภาพเป็นไว้จะไม่จะไม่นึกในใจก็ได้จับภาพไปใช้ก็ได้การใจชอบ ถ้าภาพนั้นเดินจากใจกเรียนตาดูใหม่เหมือนการศึกษสิ่งเรีนตาดูจําภาพได้แล้วก็หลับตาใหม่ถึงภาพทำสลับกันไปจากไนมาอย่างนี้คือยี่พอใจเหนื่อยเมื่อไรเลื่อยหัวนั้นพอใจเมื่อเลื่อยหัวนั้นจําได้มากจำได้น้อยไมสําคัญวันได้แค่จาได้เดือนสิเดียวนั้นไม่ได้แป่้ามาอินเล็กถึงภาพสีเขียวก็จอนเบาอีบอนมันจะเข้าบาปวนใจ โดยเฉพาะอย่างนี้มีรอยข้อทีสี่ตูปจากรตูปจักรเป็นพวกทีคิดอย่างอื่นแทรกใะรากดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเวลามันมีกำลังกล้าเราก็แพ้มันเพราะว่าเวลามันอ่อนตัวลงแล้วก็มีความรู้สึกว่จิตตูงซ่านไปรรือพลาดก็หายภวนาก็หายก็เลิมตั้งใจใหน่อยจิตช่วรู้ลม ใ, ใจเขาออก จับจิตวางภาพใบภาพสีเขียวต่อไปก็หลักการไม่คือภาพสีเขียวภาวนาว่ามีละกสิ่นังมีละกสินังพื่ภาวนาเราสีในใจเราสีเขียวสีเขียวสีเขียวแบนี้ราได้ต่อไปก็ถึงอธิบายถึงปฏิปยความสูงในเมื่อจับภาพสีเขียวได้ถือว่าเป็นโอกาสมีสิ่งตน ภาพได้ไปเดียวเดียวภาพผัวหายไปเราต้องเริ่มต้นใหม่ยังนี้คือวิธีการอิจาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขนาดใดที่นในในภาพสีเขียวยังลายกอยู่กับใจอันนี้ซิกจิตวัยเวลานั้นเชื่อจิตมีสมาธิว่าจากุบวันแต่ขนาดใดภาพสีเขียวเลือนไปจากใจ เวลานั้นเราสร้ว่าเวลานี้สมาธิเคลื่อนเวลาจิตตกเป็นท้ายของนุ่งอลเกลือหงส์สานเราก็เริยมต้นใหม่ต่อไปผาาที่เสี่ยวจะมีการทรงตัวทำไมก็สิ้นไม่ร้ไม่ต่อไปน่าทักไม่กี่วันสักสีหวันฝึกอยู่ต่อไปก็ไม่ตรงถูงภาพมึกอย่กที่เห้เห็นภาพชี้เขียนอะไรจิตเห็ภาพแบบนั้น อย่างนี้ที่ว่าจิตเคลื่อนไปดูปัจจารสมาธิจิตจะมีความเยือกเย็งขึ้นจะมีความชุ่มเชื้นขึ้นที่เรียกว่าฝีปีสมาธิใหญ่ส่งตัวนายขึ้นตามพื้นคนจะเป็นนานมากมัดไม่นานมากนักภาาก็จะไหลายตัวไปแล้วก็กลับเข้ามาเล็กไปโดยไม่ต้ออาศัยภาาได้ต้อาศัยพื้นฐานที่ของดัง เมื่อถึงภาพอะไรนัดได้มนันในสลายตัวใหม่ก็นัดขึ้นได้มันนั้นัใช้ได้เรื่ออุปจารสมาธิเป็นต้นอย่างนี้เราเรายังไม่สามารถบังคับได้ต่อไปจิตมีกําลังสูง ก, กว่านั้นจิตมีความชุ่มชื่นดีกว่าอิ่มดีกว่าจิตเริ่มมีความสุขอย่างนี้ที่ว่าเป็นอุปจารสมาธิเข้าขั้นเต็ม ไป <pouch. S 2> ยังไม่เต็มสมุนแดกเวลาจะกลายกว่าภาพสีเขียวจะพลายกดติดตาติดใจเรนานแสนนานเพราะว่านานแสนนานเรไม่ใช่หึงช่โมอาจจะเป็นห้านาทีสินาทีก็ได้เราจึงเดินหายไปเดินหายไปเราไม่ปล่อยจิตไปไม่เหภาพเหมืนนั time, so so anyway, to, so so ้นอย่ามีนชีมุจจาระสมาธิให้กลายเกิดถึงสุดท้ายแล้ว ต่อไป น, น้อจิตในกำลังกลาาแบบนั้นแล้วก็ใช้จิตบังคับว่าขอภาดสีเขียวไม่จงเล็กลงภาดจะเล็กลงตามใจเราชอบขอพาดสีเขียวไม่จนโตขึ้นโตขึ้นว่าอะไรก็ตามการใจและชอบอภาดจะโตเทานั้นพาดสีเขียวไ ม, ม่มเีเรื่องบนเรื่อสูงภาดสีเขียวมีคนหลังมือก้อานอ้าขวา ทุกอย่างเป็นไปตามใจชอบอย่างนี้ถือว่าเริ่มเป็นโอกาสนิดนองค่อนข้างปลายนะตอนปลายยังไม่ได้รู้สึกต่อไปเมื่อกลางจิตดีขึ้นความเอจิตตารรเวอร์เป็นหนึ่งมากขึ้นความสุขมากขึ้นความอิ่มใจมากขึ้นจิตใจทรงตัวมากขึ้นตอนนี้ภาพสีเขียวจะเข้ากรลาย ลายอย่างนเขียวเพื่อปัจจัยทีระน้อยละน้อยมาเป็นขาวจากตอนเหลืองก่อนเหลืองเป็นขาวผ้าขาวต้องหมดที่ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสุดท้ายขาวเหมือนผ่ายขาวแล้วขาวเหมนสีขาวผ่าไม้อย่างนี้ถือเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสุดท้ายเป็นอุปจาระชันใกล้เดินเข้าไปถึงม่ถึงชันต่อไปแล้วก็ภาวาการเดิ่มทำแบบนั้นแบบไม่เร่งรัด จิตจะมีสมาธิมากขึ้นสีสีเขียวที่กลายเปนีขาวจะเริ่มเป็นเก้วเลอย่างนี้เริ่มเข้าเข็กระถมชาจาในที่สุสีเขียวที่เป็นสีขาวมลายเป็นแก้วใสสะอาดอย่างนี้เป็นกระถมชาก็ขอพูดเป็นเพียงแค่กรมชาจาถ้ารางเรื่องจิตก็ไ่ได้เป็นบริษัทส่งขันุกระจายสมาธิพอดี ทิ้งายสมา บ, บัดกดีอาญาท่านยถอนว่าประโยชน์จะหุ่นได้ในกระสีนีน้อย่างไรตอนที่สอนสุขภพิปสโกไม่ไสอนฉลาดิโยหรื อ, รร อ, อรเตวิชก็ขอพูดเฉพาะในเร่สุ ข, ขภพิสโกเท่านั้นจะไม่พูดเรื่องฉลาะกิโยและเตวิชการทำจิต จ, จะเป็นสมาธิมันได้ของกระสี ถ้าสิงสามารถสงิเป็นสมาธิได้ดีก็ออกเป็นกำลังเข้าไปคุมครเป็นพระ อ, อริย เ, เจ้าเป็นความเป็นพระอริยเจ้าได้จริงๆร น, นไม่ยากนะพระอริยเจ้าเริเ่มตนะเปนบอลดานวัรจะกาาิจทาคารมีอันนี้ไม่ยากถ้านายคามีตัแชลงจิตที่คนแต่ํารสิงนี้สูอาาคารมีได้ เรามาจากนาคาเมียอบาไม่ตัวใช้ปัญญาไม่หนักใช้กํลาลังไม่หนักใช้ปัญญามากกว่าสมาธิเพราะว่าอนาคาเมียที่นราสมาธิสูงปัญญาด้วยสมาธิด้วยสำหรับปุโสหิตดาบัยอสิบิภาคามีไม่ใช้ปัญญาธรรมดาสมาธิเบมากใช้เล็กน้อยน้อยใช้ปัญญาเร่เล็กน้อยหนักในสูง เวลาที่เราจะใช้นิพพ า, านญาณต่างขั้นตอนนี้ความเป็นพระเจา้ า, า, า, ด, า, าด้วยพพานาณนี่ความธรรมดาญาติโยมพุทธริษัท์ก็ทํากันมากว่าหลายหลยอย่างก็ดีแต่ทว่าถ้าไม่ตรงทางาามันจะกลายเป็นเลยเปล่าทอนดีๆควจักจบเลยดีกว่าอันดับแรกพระโส ด, ดาบันเขาทํากันยังไงจีงเป็นพระโส ด, ดาบัน เราก็ใช้กำลังโิชาญและสมาธิขอ ง, องวิง ส, าาสิญญะชั้นจิตให้สรงตัววัะโซลดาบันพระสกิภายคามีปัจฉญิยสามเป็นหนึ่งสกกาญาติติสองวิติจิตชาสามทีร่รับประตระเวลามากสกกาญาติติตก็วันโซลดาบันใช้บัญญาเล็กน้อยคือมีความรู้สึกว่าชีวิธนี้ต่องตาย มาที่จิตเข้าไปคงใจให้จํารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อตายเราไม่สามารถจะอยู่คำฟ้าคู่ป้านคู่ค น, นินไม่ได้ต้งตายแม่สักวันหนงให้เชี่ยว่าเราจะต้อง ต, ตายารเราจะตายเมื่อไรโดยเรื่องขันข้าไมา่เช่อเรของเราบัญชากการใเอาคือจิตตอดไปตัดสินยอดข้อที่สองไม่เชื่อความตายและตัดได้ข้อหนึ่ง จะยอมนับว่าเรจะตายจะถือว่าเป็นการตัดสั่งลดข้อที่งงได้ต่อไปข้อที่สองตัดมิจิกิฉายความสงสัยในความดีของพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระเลเจา้าดีอย่างไรพระธรรมดีอย่างไรพระอริยสงฆ์ดีอย่างไงในคณะบรรดานานพุทธิษัท์ที่นี้ก็ไม่จาเป็ น, นปต้องอธิบายว่าทุกคนยอมรับมัทธิวพระเลเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้ว กายยอมรับพระผูมเระเจ้าพระธรรมพรอริยสงฆ์ในความจริงใจวิธีว่าตัดสัญลักษ์ข้อที่สองได้แล้วก็เหลือข้อที่สามีข้อเดียวข้อที่สไม่แก่สิ้น5กับกกำหสิท10ขอระรวมกันไปสิสิขอ้อสิ้ น, นกำบบดสิทบวกสิ้นห้าโคือ1นึ ง, งกายไม่คายสักสองไม่รักสั สามไมูดติดในคำสีไส่ไม่ดื่มสุราจะมีอะไรที่ทางกายเราจะไม่ละเมิดสี่ข้อนี้เราสิเกย์ว่าเราหมดช่วง้อไหนบ้างเราไม่ระวังข้อนั้นข้อไายที่ได้แล้วไม่จำเป็นต้งองระวังแต่ยะให้มันละเมิดเชื่อทางวาจา ก, ก็มีสี่หนไม่พูดกิดสองไม่พูดคำหยา สอนในโสเสียดเชื่งเขาแตกร้างกันสี่เไม่เพื่อไม่พูดเพื่อเชื่อเหลี่ไหลไรประโยชน์วาจามีสี่อย่างสังเกตระบบต้องคอยบ้างด้านจิตใจมีสอมขึ้นหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพสมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทำเขาได้ให้เราไม่อยากได้ข้อดีสอง ไม่จองได้จองผ่าน ไ, ไม่คิดจะ บ, บ่ายไทยความโกรธยังอยู่แต่ไม่จองได้จองผ่านไม่คิดจะ บ, บายและก็ขอ้อที่สามีความเห็นผูกคือยอมรับมัธยฆคําสอนที่เจ้าครบถ้วนกระบวนการท่านรู้มา ก, กระมวลความว่าสิ้นใา้กํามวสิทช์มีแค่นี้ถ้าปฏิบัติใกล้ตามนี้ทั้งหมดท่าอย่างหยากถือว่าท่าน เป็นบโสดาบันขั้นต้นถ้าจิตใจแยกลายเป็นโสดาบันขั้นกลางบรรโสดาบันอันดาบสองขั้นถ่าใจละเอียดถือว่าเป็นบรรโสดาบันขั้นอันดับหนึ่งเอกวิชีก็จะเลยขออธิบายเร็วมากกับเวลาเรยวน้อยต่อไปถ้าจิตละเอียดสามารถจิตบรรเทาความโลภความอยากรวยยังมีอยู่แต่จิตรุ่นวัยไม่มี มีสัมมาชีวะเป็นสำคัญไม่เดือดร้อนมันเท่าความปวดความปวดจะไมีอยู่แต่มีกรมารนอน้อนมันตายมันทายความหลงความนักสวยและคามมีอยู่แต่ไม่กี่ใบความสวยความงามเกินไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าสิทาคามีตอนนี้วเรื่องลายเกจนาทีอก น, นาทีก็พูดจบแล้ก็ตาลาคารี ในเมื่อบุคคลใดกมตามสามารถปฏิบัติตัดสัญลสามรการนี้ได้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติของมรรสวดาบรรยสีธาการมีอยู่ในตัวชาวไปก็คือจมากระมังใจของเราเราเราตาใจละปริภาณเชิงนักกล่าวแต่จิตละพฏิภาณอย่างเดียวมันถือว่าเป็นมารสวดาบรรแรกแต่ต้องมีสีไหม ข้อที่หนึ่งนึกถึงคามตายเป็นของเม่แตกทุกคนนึกอยู่แล้วแสงยอดข้อที่นงจัดได้แล้วสสงยอดข้อที่สงสงสัยพเจ้าไม่ะไอ้สงสเราไม่สงสัยแล้วแต่เวลาเรียกข้อที่สายามข้อที่สามหนักมื่อได้ข้อที่สามน่าต้องการเข้าเกศก็อาณาคามีก็พอจะเข้าเกศก็อาราคามีเราเขีเยตัวแบบนี้ พโสดาบายัยเศรษฐีภาคามีบินดีสินห้าโกมกขมสิ์พอเข้าเกตอนาคาหมีจิตย่างเข้าเกตอนาคามีจะไม่ใช่เมื่อไม่ถึงน้ลเขาเีอนาคามีมรรคเริ่มปฏิบัติอนาคามนะีจิตจะไม่พอใจเฉพาะเข้าแค่สนห้าแค่กมหสิจิตจรักกำหนดแล้วจะรกโมเสตศิลป์เป็นกำลังก็ิ้นไปก็วกันโมเสติล์ให้บัมบ จิตรักชิน้นแปดอยลางคือไม่พอใจในการที่ปฏิบัติชิ้นห้าจหมดนิบตัวเจก็อ ต, ตอนในี้ไปรพว่เรื่องขารัษาชิ้นแเองไม่ต้องมีใครบังคับจะสมาทานและไม่สมาายก็ตามทรงตัวได้หลายจิตนั้นก็ใช้สมาธิเข้าห้ามมันกา อ, อยู่เวลานี้เธอถึงอันสัิทายเขามีกำลังโสกการในฉันพระก็มีกาลังดำ เวลาที่นัก่าคือความกลัวก็มีกำลังันแต่อนาคารมีแตกการมาแข่งกับปฏิฆะก็ใช้กาลังหุนชาลีสีของกระสินจับภาพสิ้นจากศพที่ตายคนไม่ขึ้นคนเป็นและกนไม่ขึ้นคนตายไม่ึ้นคนเป็นและก็ไม่ขึ้นตายเลยไา้ายต้องสนเป็นและภายในจึงมีความสุขกสุขโก ใจแล้วจะเป็นด้ยวยความสงบสุ ข, รร ค, สขครง ก, ก็เรื่องจับกายวิการนิติเอาสุขกรรมถ่านโยงกันทำไมใช้กำลังห้ามหันอินเลชูตาไรฉันทะแต่ว่าถ้าใช้กำลังชันช่วยใช้กำลังวัศสิทธาคารมีช่วยอันนี้ไม่อยากเลยเพราะมีกำลังสูงแนะรกจะใช้กำลังที่เจะมาจริงๆนี่คงไม่เกินเจ็ดวั ก็สา ม, มารถจะเกิด ท, ที่มีทายใจความเบื่อหนในร่างกายขึ้นมาได้อย่างนี้ก็คือตัสอดสัญญาต์เพื่อว่านาคามีข้อที่เหมือนได้เพระนาคามันตัดสองข้อข้อที่สองว่านาคามีอุปกรณ์อิทธฆ์เพื่อลงไม่พอใจเพราเราไม่พอใจอย่างนี้ท่านตัดนี่เป็นมีหายสีใช้ชัยแล้วกลุม การมีความรู้สึกต่างๆจริงๆว่าคนทุกคนและสัตว์ทุกคนในโลกนี้เป็นคนที่เราเราควมีเมตตาความรักเพราทุกคนมีสภาพเหมืกันรักสุขเกลียดทุ ก, กเมมกกมกหมเื อ, อ น, น, นกันความมแน่นอนทุกคนจะมีเหมือนกันข้ามดีสายบ่ายไม่ใช่เรื่องนี้คือควธรรมดาจากตามไ่ากลุ่มของกิตแคความแน่นอนเอราะในโลกคนไม่มีเราจะไม่ถือคนประเภทนี้ เราจะมีเมตตาความรักในบคุคคลในสัตว์หมดเสมอไม่ขึ้นเพราเราไดจุดเราเราจะมีความสงสารในทุกคนในสัตว์เหมือนเราสงสารตัวเราเองไม่คิดในสัตว์โลกว่าเราจะไม่หยิบชายคิดแย้ไข่หัวไข่ได้ดีค อ, อยินดีด้วยในการสุดท้ายเราจะปลืม้มเด็้าหวานเฉย อะไรประการนี้เกิดทำให้พอใจเราขึ้นมาราวางสีเราไม่โสีว่าเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกใน ต, ต่อไปก็จกรกัรทางกายถ้าเื่อกายตีมีความสกปรกโศโครกเกิดมีความเหน่เรื่องต้องมีความแ ก, แกม่การทำการการสียายจนวันที่สุดคนเราขึ้นทื่ว่าคนจริงๆก็ไม่ใช่ร่างกายแต่ปะจิตใจ ร่างกายไปเรื่อน ร, ร่างที่เรื่ยสร้างให้ชั่วคราวไม่ช้าก็สลายตัวคิดตั้งมั่นอยู่มีหาสีใช้ช า, ชาอกุมไม่ ก, ก็เผยบา อ, อะไรตั้งรค้นันดาแต่ตอนนี้พอชีวิตาคาไแล้วไม่วั้นี้ไม่ก็จะเผอก็ทรงตัวมากแล้วไม่ไม่ช้ากามาฉันท์ได้ก็ขาดจากใจไม่มีความรู้สึกทางเพศ ปฏิฆะความโกรธการเบียบก็ไม่มีในใจมิไดจิตของสายสะอาดมิไดความเลี่ยงจินจอย่าลืมจกว่าพระอนาคา ม, มีเิลาล ะ, ละหนึ่งนาทีก็ออกไนขออธิบายเป็นปลังแล้วการมีพร่อนาคก็เป็นของไม่ยากถ้าจะอนาคา ม, มีแล้วแล้วไม่ยากเลยจะพูดตามลำาวลาในเวลาทันยิ่ง่ยาก่ไห คำว่านยากหมาว่า ก, ก, การเข้าเขียนอะไรตำหนักเข้าไปอปะไรตะผลนี่ข้นชัยจะาอญญาตัดจูกระาคืคอรูปใบชาไม่หลงในรูปใบชาไม่หลงในรูปใบชาแตไม่หลงการือตั ว, ว, ต ว, ว, ตวเรียกรนมายแล้วก็ตัดอัญชาคือความชั่วของจิต แต่อุบาสิกาดูว่ามานะปัดมาดะนะกันถือเจตนอุทธจักรตัดการคุ้มซ่านคือให้คิดว่าเราต้องการมีเวล า, าและลมเราต้องการจบเดียวทีนี้ครับหลังนั้นก็ตัดอวิชชาคือขันห้าอวิชชาได้ถนาดคือตัดเราไม่ตัดมนุษย์โลกเทวโลกเราเป็นมนุษย์มีแผ่นพัฒน์มีความพอใจเรามนุษย์โลกจิตวิโลกเราก็มนุดีไม่มี ใ, ใจเรา เราโลกจะโลกเจอโลกอุโมาค์ลกเป็นของห้าอยู่ไม่มีในใจเราเรื่องกันแทรกัดกันแทาจะละข้าเวลาเดือนน้อยเราต้องกายจดเยว่ในความเวลานั้นจิตสายสาติมากทีีจะกรายเปยานไม่รู้จะบอกจะมียานไม่รู้จะบอกเวลานี้เราเป็นลรุนดาเวลานี้เราเป็นจิตตาคาเวลานี้เราเป็าทารเวลานี้เราเป็นวัดอน ทุกขั ider, ici, Donc, moi, ้นตอนเย็นยาในเรื่งู้บอกหมดตะวันได้แยกดวงพุทธบริษัททุสาว่าพระองค์สมเร็จพรามุสัตเวลานี้เะไหลลายยดสนาทีจะหมดเวลาตอนนี้ใจพระองค์มาแยกดวงพุทธบริษัทไหลายโดยชึนหน้าฝันใสมาธิสมาธมในกลางกาน